สมาทานทุดงเที่ยงตรงแน่นอนไม่มีทอดทอนสันคลอนพันแปร่ไปให้สมบูรณ์ทั้งนอกทั้งในไม่ยอมเพียเพ้ยนเปลี่ยนใจให้เสียในสัจจาความหวังตั้งมาต้องรักษา จนหลายเดือนเคลื่อนเลยผ่านมาเมื่อออกพรรษากราบลาไปทุ่ดงขึ้นเข้าไปในป่าในพงใจานานมั่นคงออกสู่ดององค์เดียวใครไม่ของเกี่ยวไปองค์เดียวสม ทางพระจารย์มันไม่กี่วันจิตเสื่อมโดยพลันนักวันลดลงไปสมาธิเคยได้ดังใจดูยิ่งเสื่อมสลายปวดหัวใจหนักหนาไม่ฟื้นคืนมากลุ่มภรรอนรอนทุก มีเขารุมดังไปมาสุมลามเลียแทบเสียคนทำไงก็ไม่เป็นผลต้องคืนย้อนถอนตอนกลุ่มเหลือทนกลับมามั่นไม้มุ่งหน้า เวลาใดอยู่ใกล้อาจารย์มักผลนิพานปานจะเอื้อมได้เลยพอยามไปใกล้ทันเสียเอ้ยมันไม่ง่ายเหมือนเคยร้อนจังเลยจิตใจเกิดปัญหาใดใด อาจารย์มั่นท่านเมตตาบอกให้ภาวนาพุโทโธแล้วคอยมองจงมีสติประคองจดจ้องกำกับใจอย่าเพลอ้ยเลือนลาจิตแนบทุกเวลาเพียรภาพ เมื่อไปหาพระอาจารย์มั่นในขณะที่จิตเสื่อมแล้วเจริญเจริญแล้วเสื่อมนั้นเป็นขณะที่กําลังได้รับความทุกข์ร้อนกระวนกระวายมากถ้าเป็นขณะที่จิตกําลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามเจริญให้มากๆจะได้พ้นทุกเร็วๆถ้าเป็นจิตเสื่อมเช่นในขณะนี้ก็กราบเรียนท่านว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านก็แสดงเป็นเชิงเสียใจยไปด้วยว่า น่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันน่ะแต่เอาเถอะท่านมหาอย่าเสียใจจงพยายามทําความเพียรให้มากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรเข้ามากๆมันก็จะกลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมา จงปล่อยวางความคิดถึงมันเสียแล้วคิดถึงพุทธโธติดติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทธโธ ท, ทียิบติดติดกันเข้ามันจะวิ่งกลับมาเองจงนึกถึงพุทธโธเพื่อเป็นอาหารล่อใจของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันจะพักผ่อนสงบตัวไม่วิ่งบุ่นคุนเครื่องหาเรื่องหาไฟมาใสมาเผาเราถ้าอาหารคือพุทธโธ เพียงพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีมันก็จะไม่ยอมไปจงทำตามแบบที่สอนนี้เถิดแล้วท่านจะได้ไม่เสียใจหมองเศร้าเพราะจิตมันเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป